ตอนที่สอง้อยสี่คืนนี้จะไม่มีใครมาขัดจังหวะประตูห้องของหลีหวานไม่ได้ปิดจึงไม่ต้องเคาะหลีชิงผิงเดินเข้าไปโดยตรงและปิดประตูตามหลังเดี๋ยวยุ่งเสร็จก็จะนอนแล้วค่ะหลีหวานตอบแบบขอไปทีแต่สถานการณ์จริงคือเกรงว่าต่อให้ยุ่งไปจนถึงตีสามตีสี่ก็คงไม่เสร็จคืนนี้ทั้งคืนคงไม่ต้องนอนแล้วหลีชิงผิงพยักหน้าติดติดกันนางหาที่นั่งลงอยากจะเข้ามาดูลูกสาวแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรหลีหวานเห็นว่าแม่มีเรื่องในใจจึงวางปากกาลง แม่ขมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเออเปล่าจะไม่มีอะไรลีชิงพิงยิ้มอย่างขัดเคินแม่นอนไม่หลับนั่นเลยอยากจะมาดูลูกหน่อยไม่นึกเลยว่าวันเวลาจะผ่านไปเลยขนาดนี้พรุ่ตาเดียวลูกก็จะแต่งงานแล้วยังจําตอนที่เราสองคนแม่ลูกเพิ่งมาถึงในเมืองได้อยู่เลยตอนนั้นลูกยังตัวนิดเดียวแม่ขะตอนนั้นหนูไม่เล็กแล้วนะขะจริงๆแล้วเป็นผัวหนูตัวเตี้ยต่างหากหลายปีมานี้หลีหวันได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่วนสูงของนางจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนหน่อไม้หลังฝนจนในที่สุดก็หยุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อเซนเมตรซึ่งเป็นส่วนสูงที่นางค่อนข้างพอใจหื <c oughs> ้อหืเชจ้าเมื่อก่อนเราสองคนแม่ลูกไม่ได้มีชีวิตที่ดีไม่ทําให้ลูกลาบากแท้แท้ลีชิงพิงพูดแต่พูดมาขอบตาก็เริ่มแดงมีหน่าละคนส่วนใหญ่ถึงชอบลูกชายไม่ค่อยอยากได้ลูกสาวพอต้องแต่งลูกสาวออกไปในใจมันรู้สึกไม่ดีจริงๆลูกชายแต่งสะพยคือคนเพิ่มในบ้านแต่งลูกสาวออกไปคือคนในบ้านหายไป ลี่ชิงพิงยกมือขึ้นเช็ดหัวตาพลางถอนหายใจยาวเสียวานแต่งงานแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรจะเอาแต่ใจเหมือนเด็กไม่ได้นะแต่แน่นอนว่าถ้าถูาถกรังแกจนเสียใจก็กลับมาได้ทันทีแม่จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้ลูกเสมอแม่ขนูรู้ขนูแต่งงานเพื่อก้าวไปสู่ระยะใหม่ของชีวิตไม่ได้กระโดดลงกองไฟเสียหน่อยหลี่หวันพูดด้วยน้ำเสียงกึ๋งล้อเล่นไม่ต้องกังวล น, นะคะต่อไปเราสองคนจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างดีหนูจะมีความสุขค่ะได้แบบนั้นก็ดีจะ้ะ ลี่ชิงพิงยกมือขึ้นลูกสีสลูกสาวด้วยความรักใครด่ดีจริงๆผู้ชายกลัวเลือกอาชีพผิดผู้หญิงกลัวแต่งงานผิดคนนางหวังว่าลูกสาวจะพบรักแท้หยวนเซ้าเฮิงเป็นเด็กดีที่ฝากฝังชีวิตไว้ได้ขอให้ทั้งคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขสื่อไปลี่ชิงพิงกลับไปแล้วก็นอนไม่หลับนางลืมตาตื่นจนเกือบถึงเช้าตรูพยายามปรับอารมณ์เพื่อลุกขึ้นมาต้อนรับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อส่งลูกสาวแต่งงานออกไปอย่างสมเกียรติและคลืค้น เวลาแปดนาฬิกาตรงขงบวนรับเจ้าสาวของตระกูลหยวนก็มาถึงรถยนต์8คันจอดเรียงรายอยู่ในต้าหยวนดูหรูหราและสง่า ง, งามมากหลี่หวานไม่ได้นอนทั้งคืนตอนนี้สภาพจิตใจจึงค่อนข้างอ่อนเพลียหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการที่วุ่นวายนางก็ถูกหยวนเศร้าเหิงอุ้มขึ้นรถสิ่งที่รู้สึกแปลกคือในใจนางไม่มีความรู้สึกเศร้าส้อยเลยปกติเห็นคนอื่นแต่งลูกสาวจะพากันหลั่งน้ำตาแต่นางกลับไม่มีนางถูกคลุมหน้าไว้จึงมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นเทียงปลายเท้าของตัวเองเท่านั้นดูเหมือนนางจะได้ยินเสียงหลีชิงผิงร้องไห้ แล้วยังมีขุนย่าด้วยไม่ต้องตื่นเต้นนะเสียงทุ่มตําเปลี่ยเนเสน่ห์ของหยวนเซาเหงดังขึ้นหลีหวันยกมุมปากไม่ตื่นเต้นคะความจริงนางแค่ปวดหัวเพราะอดนอนอืมหยวนเซาเหงปลอบนางว่าไม่ต้องตื่นเต้นแต่ความจริงตัวเขาเองกลับตื่นเต้นยิ่งกว่าลีหวันสัมผัสได้ว่าฝ่ามือของเขามีเหงื่อออกแถมยังออกเยอะมากเสียด้วยลีหวันตระหนักถึงบางอย่างมุมปากจึงอดไม่ได้ที่จะขยับยิ้มอีกครั้ง น่าสนุกดีเหมือนกันเมื่อถึงบ้านตระกูลหยวนก็ยังมีการหยอกล้อ ก, กันต่อเจ้างเฒ่าอย่างและเจ้างเฒ่าสิงสองพี่น้องในฐานะฝ่ายส่งเจ้าสาวคอยดูแลหลีหวานตลอดทางหลังจากวุ่นวายอยู่พักหนึ่งก็ให้ทุกคนออกไปหลีหวานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปร้านอาหารของรัฐใบหน้าของนางแต่งแต้มด้วยเครื่องสําอางพอจะปกปิดรอยคล้ำใต้ตาได้บ้างแต่ไม่อาจปกปิดเส้นเลือดแดงในดวงตาได้ขณะที่นางเปลี่ยนเสื้อผ้าหยวนเศร้าเหงิงไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาสังเกตเห็นความ ผิดปกติในดวงตาของหลีหวานจึงรีบถามด้วยความกังวลตาเป็นอะไรไปครับไม่มีอะไรค่เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับลีหวานตอบอย่างไม่ใส่ใจเดี๋ยวพอนอนหลับตําอิ่มเส้นเลือดแดงในตาก็จะค่อยๆหายไปเองคุณออกไปก่อนเถอะข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราจะได้ไปร้านอาหารของรัฐกันมื้อเที่ยงต้องมีการเดินโต๊ะคาระวะเล่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปดีไหมผมจะอยู่บ้านเป็นเพื่อนคุณเรื่องคาราวะเล่าให้พ่อกับแม่ไปแทน เราสองคนเป็นคู่บ่าวสาวจะให้คนอื่นทำแทนได้ยังไงคะมันไม่เหมาะสมหากคนอื่นไม่รู้จะคิดว่าพวกเราทะเลาะ ก, กันในโอกาสที่เป็นทางการแบบนี้จะทำให้อับอายไม่ได้สถานการณ์พิเศษก็ต้องจัดการแบบพิเศษตอนนี้คุณเหนื่อยแล้วเราควรพักผ่อนให้ดีไม่ได้ขะคุณออกไปก่อนหลีวันเห็นว่าเขายังไม่มีท่าทีจะออกไปจึงอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปผลักเขาเร็วเข้าสิคะนะก็ได้ผมออกไปแล้วหยวนเศร้าเหิงจับมือหลีวันมาบีบเบาๆความจริงถ้าไม่ออกไปก็ได้นะ วันนี้พวกเขาแต่งงานกันแล้วออกไปข้างนอกดูจะห่างเหินเกินไปหน่อยคุณรีออกไปเถอะค่ะลิวันรู้สึกเขินอายหยวนเศร้าเหิงยกยิ้มบางอือไม่ต้องรีบนะค่อยๆเปลี่ยนลิวันถอดชุดแต่งงานออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดกี่เพ้าแบบจีนสําหรับเดินโต๊ะคาระวาล่านางรู้ว่าวันนี้จะเหนื่อยมากจึงเลือกสวมรองเท้าส้นเตีย้ยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จได้ยินเสียงญาติพี่น้องในลานบ้านดูเหมือนจะออกไปกันเกือบหมดแล้ว นางจึงเปิดประตูหยวนเซาเหิงยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกไม่ห่างไปไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่หยวนเซาเหิงเห็นนางสวมชุดกีเพาวแววตาของเขาใช้แววตะลึงสวยมากผู้ที่ถูกคือไม่ว่าเสียหวานจะสวมชุดอะไรก็สวยไปหมดเพราะคนสวยอยู่แล้ววันนี้คุณสวมชุดนี้ก็หล่อมากเหมือนกันค่ะชุดจงซานขับเน้นรูปร่างของหยวนเซาเหิงให้ดูสง่างามทาให้เขาทั้งคนดูมีสง่าราศีเป็นพิเศษ พวกคุณสองคนเลิกชมกันเองได้แล้วรีบไปร้านอาหารกันเถอะจึงเศ้าอย่างเอ่ยเย้าวไปกันเถอะหลังจากยุ่งมาทั้งวันขาของหลีหวานลา้าจนแทบจะไม่ใช่ของตัวเองโดยเฉพาะส้นเท้าที่ปวดหนบนางสวมรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งอาจจะไม่พอดีเท้าเรือนหอเป็นหลังที่ยืนเศ้าหึงเลือกเองหลีหวานไม่มีความเห็นเรื่องที่อยู่อาศัยมันเป็นบ้านพักสไตล์ตะวันตกหลังย่อมมีห้องหับทั้งชั้นบนและชั้นล่างรวมกันหลายห้องปกติถ้าอยู่กันแค่สองคนคงจะเงียบเหงาเกินไป แต่ความเงียบก็มีข้อดีของมันก่อนที่ฟ้าจะมืดหยวนเศร้าเหิงก็ไล่เพื่อนฝูงที่คิดจะมาหยอกล้อห้องหอออกไปจนหมดเขาอยากให้หลีหวันพักผ่อนให้เต็มที่วันนี้ห้ามใครมารบกวนหลี่หวันเปลี่ยนเป็นชุดลำลองรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าทั่วร่างทุเลาลงไปไม่น้อยเมื่อเหงหยวนเศร้าเหิงถือแก้วน้ำพึ่งเข้ามาในห้องนางก็รู้สึกขัดเคินเล็กน้อยตั้งแต่คบกันมาจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่เคยสื่อสารกันอย่างลึกซึ้งมาก่อนบรรยากาศในตอนนี้ชวนให้รู้สึกรกระอักกระอ่วนและเคินอไออย่างบอกไม่ถูกดื่มน้ำ หยวนเศร้าเหิงยื่นแก้วให้วันนี้ถึงคุณจะดื่มไม่มากแต่พรุ่งนี้เช้าอาจจะปวดหัวได้ดื่มน้ำเพึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้อย่างเห็นผลื่มแล้วคุณไม่ดื่มเหรอคะหลีหว่านยังได้กลิ่นเหล้าจางๆจากตัวเขาดื่มมาแล้วครับหยวนเศร้าเหิงมีแววตาอ่อนโยนคืนนี้รีพักผ่อนเถอะจะไม่มีใครมาขัดจังหวะพวกเราพรืชแคดแคดหยวนเศร้าเหิงไม่พูดในดีแล้วพอเขาพูดออกมาหลีหว่านก็รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องยิ่งแปลกประหลาดเข้าไปใหญ่ มีคำกล่าวโบราณว่าอย่างไรนะคืนหอห้องจุดเทียนวสันย์ยามชื่อปรากฏบนป้ายทองตอนนี้พวกเขาอยู่ในช่วงคืนหอห้องจุดเทียนวสัน